แต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือแม้พระองค์เองเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ยังมีอวิชชาคือมีความรู้ที่เป็นอวิชชาไม่รู้จริงในสัจจทั้งสี่เพราะฉะนั้นอวิชชาจึงได้แก่ความไม่ อย่างรู้ในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับทุกในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกต่อตจากนี้ขอให้ขอข อ, ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทําความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต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 ที่ท่านประสาิบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายมาถึงอวิชชาซึ่งได้แสดงอธิบาย มาแล้วตามเถระอธิบายว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ก็ได้แก่ไม่ยังรู้ในทุก์ไม่ยังรู้ในเหตุเกิดทุกข์ ไม่อย่างรู้ในความดับทุกข์ไม่อย่างรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แสดงอธิบายคำว่าอาวิชาและเล่าถึงปฏิปทาปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ได้ทรงสแสวงหาโมกขธรรมธท ร, รมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจนในตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่ วิชาดับวิชาเกิดหรือวิชาเกิดวิชาดับจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นภูตัดสรู้แล้วและก็ได้ตรัสแสดงอธิบายอริสัต4สี่ทุกข้อ วัตถุกสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ทรงชี้สภาวะทุกข์ตั้งตนใจชาติความเกิดชราความแก่มารณะความตายว่าเป็นทุกข์ทรงชี้มกินกศทุกข์ทุกเบตเตเลททางจิตใ จ, จทั้งหลาย วาโสกะความโศกความแห้งใจบริเทวะความดันจวนคกร่าครุญใจทุขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอบาอยาสะความคับแข้นใจเป็นทุกข์ทรงชี้สรุปเข้ามาเป็นสองคือความประจวบ สิ่งหรือสัตว์สังขารทั้งหลายที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพลากจากสิ่งหรือสัตว์สังขารทั้งหลายที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ทรงที่สรุปเข้ามาเป็นหนึ่งคือปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์และทรงที้ สรุปข้ามาโดยสัตว์ว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกก็ได้แก่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณ มันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นทุกข์พริยสัตย์จะข้อสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทรงชี้เอาตัญหาความรินนทยันอยากมีอาการเป็นการตัญหา ความดิ้นรนทยานอยากไปในกามคือกามะคุณรูปเสียงกลิ่นรสผฏภัณฑที่น่ารักไร่ปลอดนาพอใจทั้งหลายหรือความดิ้นรนไปด้วยอำนาจของกามความใคร่ทั้งหลาย ภวตันหาความดิ้นรนทยันอยากไปในพบคือความเป็นนั่นเป็นนี่มีภาวะตันหาคือความดิ้นรนทยันอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจข้อนี้วยความดับทุกข์ทรงคี้เอาความดับกันหา ซึ่งเป็นตัวเหตุทุกดับไปหมดเป็นความดับอริยสัจข้อมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทรงชี้เอามักคือทางมีองค์แปอันแรกแก่สมมาทิฏฐิความเห็นชอบสมมาสังกัปปะความดำริจชอบ สองข้อนี้รวมเข้าเป็นปัญญาศิกขาสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสมข้อนี้รวมเข้าเป็นสีละสิกขาสัมมาวายามะเพียน่นชอบสัมมาสติสติคือระลึกชอบสัมมาสมาธิ สมาธิคือตั้งใจไว้ชอบสามข้อนี้รวมเข้าเป็นกิตติคขาหรือสมาธิเป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึง่งในที่อื่นได้มีพระพุทธธทิบาย ในข้อเอาวิชาเพิ่มขึ้นอีกสี่ข้อคือไม่ยังรู้ในอดีตไม่ยังรู้ในอนาคตไม่ยังรู้ในทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่ยังรู้ใน ธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นสำหรับในสี่ข้อหลังนี้คำว่าอาดีตก็คือสิ่งหรือการเวลาที่ล่วงมาแล้ว อนาคตก็คือสิ่งหรือ ก, การเวลาที่ยังไม่มาถึงไม่ยังรู้ในอดีตไม่ยังรู้ในอนาคตย่อมมีความหมายหลายอย่าง อย่างที่เข้าใจกันทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่าหมายถึงเรื่องอดีตรหรือหมายถึงเรื่องอนาคตของชีวิตรหรือของตน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 ไม่ได้มีความหมายดังนั้นดังจะปึงเห็นได้ว่าท่านแสดงถึงยานคือความอย่างรู้ของพระพุทธเจา้าในราตรีที่ตรัสรู้ คือตั้งแต่ก่อนตรัสรุทส่งได้พยานสามโดยลำดับในปฐมยามส่งได้อภเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึก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 ความเป็นไปในชาตินั้นตลอดจนถึงชื่อโคตสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นในชาตินั้นๆท่งระลึกได้สืบต่อกันมาโดยลำดับ จากชาตินั้นก็มาสู่ชาตินั้นมาสู่ชาตินั้นเรื่อยมาจนถึงสู่ชาติปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังไปได้มากมาย ในมัจจิมายามทรงได้จุตูปปาตญาตคือความรู้ในจุติความเคลื่อนอุปบัติเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ชาติที่ชั่วมีทุกข์ทำกรรมดีไว้ ก็ไปสู่ชาติที่ดีมีสุขในปัจฉิมยามทรงได้อสวกขยายญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวกคือกิเลสที่ดองกิตติสันดานทั้งหลายก็คือทรงอย่างรู้ ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่อวิชชาดับไปหมดวิชามังเกิดขึ้นหรือวิชามังเกิดขึ้นอวิชชาดับไปหมดเหมือนอย่างความสว่างมังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปตามพระยานทั้งสม ที่ท่นแสดงไว้นี่ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเมื่อทรงได้พยานที่หนึ่งที่สองก็ยังไม่ได้ระพุทธเจ้ายังมีอวิชชาอยู่คือแม่ว่า จะเราทรงระลึกชาติผนหลังได้เป็นอันมากเรียกว่ารู้อดีตแต่ชาติและทรงรู้ความเคลื่อนและความเข้าถึงชาตินั้นนั้นองศัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกับ ด้วยิยาณที่สองก็ยังมีอวิชชาอยู่จนถึงทรงได้ญาณที่สามคือจัตสรู้ในอริสัตทั้งสี่อ า, าวะกินเดช ท, ที่ดองกิตสันดานสิ้นไป เอาวิชาดับวิชาเกิดขึ้นจึงทรงดับเอาวิชาได้โดยพยะยาณที่สามนี้เพราะฉะนั้นข้อว่าไม่รู้จักคือไม่ยังรู้ในอดีตไม่ยังรู้ในอนาคต การเป็นตัวอวิชชาจึงไม่ได้มีความหมายถึงไม่รู้ระลึกอริชาติได้ตลอดถึงไม่รู้ระลึกถึงอนาคตชาติได้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 กับข้อจิตหัดไว้ในเทศนาครั้งที่สองที่ได้จัดแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาโวตน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 เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ต้องแปลปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็คือตัดแสดงไลรลักษ์นั่นเองแต่ยกอนัตตาขึ้นเป็นที่ตั้งที่แรก แต่ภายในเนื้อหาของประสูทธ์ก็เป็นอันมาเลยแสดงไต่ลักไปครอบทุกขอ้อในทางที่เข้าใจได้ง่ายและก็ได้ัดสรุปไว้ในตอนท้ายว่าขันห้า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 อนาคตไม่ยังรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตในข้อที่แสดงอวิชานี้ก็จึงมีความหมายว่าอาริยสัต์ทั้งสี่ที่เป็นไปอยู่ในสายทุกข์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 ก็คงเป็นอริยสัจทั้งสี่นี้ในอนาคตก็คงเป็นอริยสัจทั้งสี่นี้คือว่าในอดีตนั้นจะเป็นอดีตในชาตินี้หรือว่าอาดีตในอดีตชาติชาติไหนๆก็ตาม กี่สิบกี่ร้อยกี่พันชาติในอนดีตก็ตามมากกว่านั้นก็ตามอาเรียสัตว์ทั้งสี่ที่เป็นสายทุกข์ก็คงเป็นสายทุกข์อยู่นั่นแหละสายนี้เรวยความดับทุกข์เป็นสายนี้เรวยความดับทุกข์อยู่นั่นแหละเป็นอย่างเดียวกัน ในอนาคตคือข้างหน้าก็เหมือนกันเมื่อมีสมุทัยก็ต้องมีทุกข์เมื่อดำเนินในมรรคก็ย่อมพบความดับทุกข์คงเป็นสายทุกข์สายนิโรธความดับทุกข์อยู่เช่นเดียวกันไม่ต้องสงสัย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 อยู่ตลอดกาลเวลาเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนอย่างว่าโลกธาตุที่ทุกๆคนอาศัยอยู่นี่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 หากว่าจะไปมวนนับว่าปีนี้ฝนตกกี่ครั้งปีที่แล้วมาฝนตกกี่ครั้งย้อนไปย้อนไปก็คงจะเป็นการรวมครั้งได้มากมาย